ได้บันทึกจากตากคาของนายแมนผู้มีอายุเข้าเ ข, าเขตวัยชราเล่าให้ฟังผมก้าวขึ้นบันไดบ้านปู่อ่ําที่มีทรงเก่าปนใหม่ที่ว่าแบบเก่าปนใหม่นี้ก็เพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นแบบผสมแต่ไม่ผสมโดยตั้งใจไว้แต่แรกเริ่มปลูกมาผสมเอาตอนหลังเช่นหลังแรกปลูกผสมขึ้นอีกหลังโดยแบบฝาลูกฟักต่อมาชั้นลูกได้ปลูกเชื่อมต่อเชื่อมเรือนเก่า แต่ว่าเรือนใหม่ที่ปลูกนี้ปลูกแบบอะไรก็ไม่แน่ใจเป็นแบบตามใจจัดว่ามีหลังคามีฝาพออยู่ได้มีนอกชานเชื่อมกันพอต่อมาชั้นลูกเกิดมีหลานขึ้นมาอีกมีความคับแคบบังคับเข้าก็ปลูกอีกสองหลังต่อกันก็เลยล้อมหลังเก่าที่เดียวไว้กลาง เลยดูว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรดูเป็นกลุ่มดาวล้อมเดือนมีชานติดต่อกันไปหมดหลายช่องหลายเลี้ยวมองดูข้างนอกแล้วก็ไม่รู้ว่าทรงอะไรกันแน่มองเป็นกระจุกแต่ว่าพลบ้านมากมายพอดู ทั้งชั้นลูกชั้นหลานบ้านนี้ก็เลยเกิดเป็นบ้านที่หนักไปด้วยทางทอดผ้าป่าสามคัคคีเพราะว่าลูกหลานมากสามัคคีกันคนละไม้คนละมือก็เป็นองค์พระป่าได้ทุกปีและก่อนจะทอดในวันรุ่งขึ้นก็มีการฉลองกันก่อนคืนหนึ่งเสมอมายิ่งต่อมาปีหลังๆพวกบ้านใกล้เรือนเคียงและห่างออกไปก็ร่วมมือศรัทธาด้วยเลยคลึกครื้นกันเป็นการใหญ่ วันนี้ผมก็เป็นผู้ร่วมบุญด้วยจึงนำเงินแล้วก็ผลไม้มาร่วมที่บ้านปู่อ่าแต่ก็มาค่ำไปหน่อยเพราะว่ามีธุระถ้าไม่ติดธุระก็มาแต่เย็นแล้วเรื่องเดินค่ำในละแวกนี้ออกจะมืดแล้วก็เปรี่ยวผมไม่รู้จักทางเดินของสวนมะลิดีที่มีหลายทางที่มาจากทางวัดเทพศิรินก็ได้ทางวัดโคกหรือว่าวัดพระลาชัยก็ได้ผมก็เลยถนัดเดินแต่ทางวัดจางวางดิดจางวางพวงก็เท่านั้นเอง ทางนี้นยสิคุณเอ้ยเวลาค่ำคืนในสมัย5้าสปีที่แล้วไม่ไหวเลยทั้งเงียบแล้วก็มืดเป็นวัดที่มีการเผาศพได้แหละคุณมันก็ต้องมีป่าช้าถ้ามาคนเดียวกลางคืนไม่ค่อยสมัครใจกว่าจะพ้นวัดแล้วเข้าสู่ทางเดินตำบลสวนมะลิใจคอมันไม่สบายแต่วันผ้าป่าของตระกูลนี้ผมจะขาดก็ใช่ที่เพราะต่างคนต่างมาร่วมใครมีมรดพใดๆที่พอจะมีก็นามาแสดงเพื่อเฉลิมฉลองกัน นับแต่ดนตรีตรีเกราะวงเป่าปิ๊บเป็นเพลงลิเกสมัครเล่นทำธรรมดาลิเกลําตัดส่วนผมเนี่ยมีวิชาชอบไปทางแหล่เทศในวันที่ผมก้าวขึ้นบันไดบ้านจึงไม่ต้องพูดกันหลักว่าบนบ้านเนี่ยมีคนแค่ไหนแล้วก็มีเสียงอุกกระทึกเท่าไหร่เพราะว่าทั้งผู้ศรัทธาบริจาคแท้ๆแล้วก็ผู้ศรัทธาบริจาคเงินแล้วก็ตัวเองก็เป็นตัวมโหรสศพด้วยจึงมากมายเอาการถ้าบ้านธรรมดาเห็นจําบรรทุกคนไม่ไหว แต่ว่าบ้านนี้เนี่ยมีที่ให้พ ล, ละบ้านนั่งเฮฮาได้เพียงพอมีหลายซอกมีหลายมุมที่จะให้คนเลือกจับกลุ่มเอาคืนนั้นเมหอรศศ์ต่างๆได้แสดงกันพอหอมปากหอมคอคนละชนิดสลับกันไปพอเขาแสดงกันหมดพุงหมดไส่ก็หยุดให้คนอื่นเล่นบ้างสลับกันไปไม่รู้จบแต่ว่ามีอยู่คณะหนึ่งก็คือคณะของในายใหญ่นายกีก็ชอบเอามวยแต่ก็หาควรจะมาแสดงบนบ้าน ที่ถูกที่ควรก็ควรที่จะไปแสดงที่วัดในวันรุ่งขึ้นแต่ก็อย่างว่าแหละครับแกอยากแสดงซะจริงๆถึงกับกราบไหว้ใครต่อใครอยากรังผ้านุ่งขึ้นไปตั้งท่ามวยทั้งในกี่ในใ ย, ยพักพวกก็เอาทำปากปีทํากลองโอ้โหคุณเอ้ยหนวกหูสิ้นดีบ้านมันพื้นไม้นี่คุณโดนเต้นมวยเข้าหูจะแตกเฉพาะปีชวานั้นเนี่ย ชั้นแรกก็เสียงเดียวตอนทําเพลงสรหมาให้ร่ายรำแต่ตอนเข้าพันตูชินี่คุณเอ้ยมีเสียงปีดตั้งสิบเราเห็นจะได้ เพราะง่ายมากไม่ร้องเป็นเสียงปีละใช้เนื้อความทีเดียวได้ทีทําไมถึงไม่ทําตีแลตีแตตีแลตีแตเสียงกลองก็เปลี่ยนเป็นได้ทีแต่ยังไม่ทําเอา้าจ้าให้ตูดจ้าเบ้าเอา้าจ้าให้ตูดจ้าเบ้าชุดนี้ไม่ค่อยนานนักทั้งปีทั้งกลองก็หมดแรงไปพร้อมๆ ก, กันกับนักมวยพวกปีพวกกลองปากก็จะเป็นตะคริวพวกนักมวยเหนื่อยเข้าก็ขอนั่งลงกินเหล้าก็เลยเงียบกันไปบทสรุปก็เลยมาลงที่ผมและสิ แลต่างๆผมก็ว่าซะคอแหบคอแห้งก็เลยไม่ไหวเหมือนกันจึงต้องหยุดตั้งวงกินข้าวต้มกันไปในระหว่างที่นั่งกินข้าวต้มกันนั้นปู่อ่ํานั่งร่วมอยู่ด้วยผมก็เลยถามแกขึ้นว่าพ้าป่าผีตายนี่นะยังไงกันจ้าปู่ผะป่าผีตายนอะเหรอมันก็อีกอย่างนึ่งสนุกกว่านี้แกว่าแล้วก็หยุดพูยข้าวต้มสนุกยังไงจ๊ะผมถามโดยอยากรู้เพิ่มเติมไว้โดยได้ยินใครต่อใครเล่นกันมาหลายวิธี โอ้ยผีตายจริงๆก็ผีผีปั้นด้วยดินผีฟูกฟ่อนหญ้าเอากระดาษปิดหุ้มก็มีเอาคนทําเป็นผีตายก็มีแกว่าไว้หลายวิธีปู่ช่วยเล่าชนิดผีตายจริงๆทีถ้าจะปูผมอยากฟังที่สุดก็เลยวางชามข้าต้มลงแล้วก็กราบแกอ๋อผีตายน่ะไม่ได้ทํากันอย่างเราทํานี่หรอกแกว่าเขาทํากันเงียบๆปิดบงังไม่ให้ใครรู้เขาล้อพระเล่นอย่างหยอกๆล้อๆ ปูอ่ำอิ่มข้าต้มพร้อมกับคุยทันทีพอตกค่มเนี่ยเขาก็เอาศพที่จะเผาออกจากโรงวางบนกระดานทำให้กระดกได้เพื่อว่าพระมารับผ้าไตรที่ศพศพก็จะกระโดกขึ้นถวายผ้าให้พระพอถึงตอนนี้ใครๆก็พากันร้องโอ้โหตามกันไม่เหม็นเหรอปูเอาเหม็นสิถามได้ศพเน่าแท้ๆแล้วแต่ศพเก่าศพใหม่ด้วยนะอ่าแล้วผ้าตราล่ะวางไว้ที่ไหนล่ะปูอีกคนนึงถาม วางไว้ที่ศพเลยแต่ว่าเขาเนี่ยจะเอาใบตองวางศพแล้วก็จะเอาผ้าไตรเนี่ยวางไว้บนศพด้วยอ้อทุกคนร้องเกือบพร้อมกันแต่ก็น่าจะเปื้อนศพบ้างละปู่อีกคนหนึ่งออกความเห็นก็บ้างละวะปู่อ่าว่าพร้อมกับพยักหน้าโอ้ยมันพิเรนนักว่ะไอ้ผ้าป่าแบบนี้เขาจะทำเขาก็ทากันเงีย บ, บเขาทาประตูป่าทำทางรถเลี้ยวยังกะเขาวงกดว่ะ พระที่ถูกนิมนต์เนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าจะศพจะหยุดตรงเลี้ยวไหนเขาให้ถือไฟหรือว่าใต้ไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นพอพบเข้าโดยไม่รู้ตัวก็ใจหายเลยศพนั้นกระดุกตัวขึ้นมาเขาทํากระดานได้ดีมากเลยนะปู่อ่ําซึ่งแก่คราวปู่แล้วแกพูดไปก็ยังอดสายหน้าไม่ได้ว่าแย่ๆเมื่อข้ายังหนุ่มสิว่าโดนเข้าอย่างงามข้าเนี่ยบวชอยู่ที่วัดสระเกศนูน่นเลยเว้ยเองเอ้ยหน้าผ้าป่าแล้วนะ ก็พระเจ้าเนี่ยนอนสะดุ้งไปตามๆกันกลัวว่าจะถูกนิมนต์เข้าน่ะสิพุทโธกลางคืนแบบนี้มักจะไปจํำวัดที่กุฏิอื่นรวมกันหลายๆรูปจะได้เกี่ยงกันไปหรือไม่ก็จะได้ไปรับผ้าสักสองรูปยิ่งกุฏินายนะไม่มีลูกศิษย์โตๆตอยู่ด้วยอยู่เพียงรูปเดียวนอนหนาวเลยทีนี้เพราะว่าเขามักจะมานิมนต์เอาตอนดึกๆเอ้าปู่เราจะไม่รับนิมนต์ไม่ได้หรอเป็นพระไม่รับนิมนต์ได้หรือว่าแก เขาเล่นแบบนี้ว้ยเขาใช้อิฐขวางกุฏิอิฐโดนห้องใครรูปนั้นต้องไปแม่โว้ยแย่ yeah, จริงใครคนนึงรองขึ้นอีตอนข่าโดนสิวะแย่ yeah. คืออย่างนี้คนืนนั้นเนี่ยมีพระประจําวัดที่กุฏิข่าอีกสองรูปเป็น3รวมกับข่าคืนนั้นแหละโว้ยข่าไม่นึกไม่ฝันเสียงอิฐเนี่ยมันดังโครมครามเข้ามาใจหายกันทุกรูปเอา้าแล้วเราทําเป็นไม่ได้ยินไม่ได้เหรอปู่ทําเป็นหลับสนิทอะไรประมาณเนี่ย เฮ้ย hey, ไม่ได้หรอกเขาเห็นนิ่งๆเขาก็ใช้ไม้เคาะฝาทั้งร้องนิมนต์ด้วยว่าเสียงเนี่ยลั่นวัดแหมไม่ไหวนะไอพิธีบา้บาๆบอๆแบบนี้เนี่ยเด็กหนุ่มคนนึงหลุดปากออกมาของเก่าเขาโว้ยใครจะห้ามเขาละ่ะเขาเล่นพิเรนก็ต้องยอมเล่นกับเขาเอ๊ะมันจะได้บุญกันตรงไหนล่ะปูก็ไม่รู้เว้ยก็ทํากันก็ต้องยอมเราเป็นพระหมดทางหลีกแกส่ายหัวเอาสนุกกันมากกว่าปู่เล่าต่อเถอะ อ่ะมาเดี๋ยวข้าเล่าให้ฟังวันนั้นข้าทำนิ่งเฉยซะข้างล่างก็ตีฝาปังปังปังพระอื่นต่างก็เกี่ยงกันท่านไปสิท่านไปสิปสผมขอเจ้าของกุฏิครับเขาตะโกนพร้อมกันข้านิจใจหายวาบเลยขนลุกเกลียวไปทั้งตัวแข็งใจขึ้นครองผ้าข้ากลัวจริงๆตอนนั้นเนี่ยยังหนุ่มอยู่นิว่าอยากจะร้องไห้ซะจริงแหมฉันและเห็นใจปู่จัง เป็นชั้นเนี่ยฉันไม่เอานะเป็นไงเป็นกันวะเล่นสกปรกแบบนี้ทําไงได้วะพระวินัยพระนิวาลูกศิษย์ก็ไม่มีซะด้วยสิก็ต้องไปคนเดียวพอลงจากกุฏิก็ต้องท่องม น, น่ะเว้ยแต่อย่างงั้นขาก็ชักจะสันๆเจ้าภาพสองสามคนก็เดินนําเราไปข้าเนี่จุดโคมหิ้วไปว่ะแต่พอถึงซุ้มประตูป่าสิเว้ยพวกเจ้าภาพเนี่ไม่เอากับข้าซะแล้วเขาหยุดอยู่ข้างนอกกลิ่นศพแตะจมูกเข้าแล้วชักจะชะ ง, งักหยุดยืนหน่อยนึง ลงท้ายตัดสินใจเดินเป็นตายให้มันรู้ไปพอเดินไปข้างหน้าก็ยิ่งเหม็นยิ่งทําให้กลัวขึ้นอีกเดินเลี้ยวไปหลายเลี้ยวตามซอกรั้วใบไม้แต่เกียงโคมก็ไม่ค่อยสว่างนักพอมีแสงสลัวๆเดี๋ยวลอดซุ่มมืดเดี๋ยวออกโปร่องอยู่หลายตลบใจก็ภาวนาว่าถึงสักทีสิว่าจะได้กลับกุฏิให้พ้นทุกไปพออีกเลี้ยวนึงก็ถึงสะพานทอดให้เดินไปพออีกเลี้ยวก็มองเห็นศพอยู่ห่างสักสองวาข้าหยุดชะงักวะ่ะ ข้าก็ตั้งสติสะกดใจของตัวเองเนี่ยทำให้มันไม่กลัวเอาทางทำเข้าหักแล้วก็เดินเข้าไปคุณพระช่วยข้าเหยียบแผ่นกระดานแผ่นต่อเข้าแล้วคล้ายกับตัวเองตกหลุมกระดานมันถูกน้ำหนักตัวผลุบลงไปในหลุมจะศพนั่นเนี่ยลุกขึ้นยืนเฮ้ยข้าตกใจตัวชาเลยแทบจะล้ม กลัวศพจะคำ ม, มัามทับข้าแขนขาของศพเนี่ยทำให้ประคองผ้าไตรเอาไปตองวางทับแขนไว้เหม็นก็เหม็นเป็นศพสี่ห้าคืนกำลังขึ้นอืดจนจะเน่าอยู่แล้วข้าจะตายซะให้ได้ตามกฎของพระก็ต้องยืนสงบปรงสังขารจนจบแล้วก็บังสุกุลอีกจบหนึ่งพอจบแล้วจึงจะหยิบผ้าขึ้นมาได้ข้าก็หมุนตัวจะกลับพอก้าวผลกระดานแผ่นนั้น กระดานมันก็กระดกขึ้นศพก็กลับล้มลงนอนอย่างแรงดังครืนเลยเม็นกลับหนักขึ้นข้าแทบถาดใจตายตกใจที่เสียงมันดงังก้าวขาไม่ออกเพราะศพมันอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่ามันจะลุกตามมาหรือเปล่าเหงื่อเนี่ยไหลโซมตัวแข็งใจรีบเดินเจ้าประคุณเอ้ยมันหลายเลี้ยวหลายวกเหลือเกินพอออกพ้นข้แทบร้องไห้โวยจริงว้เห็นจะได้บุญยากว่ะงานนี้จิตใจมันไม่ได้สงบแล้วก็ตั้งมั่นในสิ่งใดทั้งนั้น เภาพเดินมาส่งเขาก็พูดชมเชยว่าข้าเนี่ยกล้าแล้วก็มั่นคงข้าไม่อยากจะพูดไม่อยากจะตอบเลยเพราะมันโกรธอยู่แกเล่าจบแล้วใครคนหนึ่งก็รีบรินน้ำร้อนให้แกในบ้านเงียบไปครึ่งบ้านเพราะปู่อ่ําเล่าเรื่องการผจญภยัยชนิดบุญพิเรนให้ฟังปูจ่จ๋าแล้วไอ้ชนิดทําภาพปั้นหรือว่าเอาคนมาทํานอนเป็นศพนั่นละ่ะมีความหมายยังไงผู้หญิงคนนึงถามปู่อ่ําโดยความสนใจถ้าเราทําเล่นมันก็จะสนุกดี อ๋อไอ้อย่างที่ว่านี่นะไม่มีอะไรหรอกมันก็ทําเล่นๆกันสนุกๆเอาคนจริงๆมาทาสีให้เป็นคนแบบคล้ายผีตายนั่นแหละแล้วก็เอาน้ําเชื่อมมาราดตัวให้มันเป็นน้ําเหลืองพวกมแมลงวันมันก็มาตอมกันหึงๆแล้วก็หามไปบอกบุญตามบ้านที่รู้จักกันบอกชื่อผู้ตายให้ใครๆ ร, รู้เขาก็ช่วยกันให้เงินทําบุญสนุกดีเฮฮากันตามบรรดาญาติแล้วก็เพื่อนฝูงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่นกันยิ่งไปกว่าครั้งหลังนะ ทำเป็นญาติหรือเพื่อนเดินร้องไห้ตามศพพอได้เงินใส่ขันพอสมควรแล้วก็หามไปวัดทอดผ้าป่าไปเลยเออเราเอามั่งแฮะฉันเป็นตัวผีตายเองแต่แหงร้องขึ้นพวกที่ฟังอยู่ก็พากันฮาขึ้นคลืนใหญ่ต่างร้องสนับสนุนแต่แหงว่าเออน่าจะดีนะยาเลยยาเลยเสียงคุณยายแก่คนนึงร้องทานขึ้นแกก็คือแม่แก่ในบ้านนั้นเล่นอะไรอย่าให้มันแช่งตัวเองเลยนะมันไม่เป็นมงคลเว้ย แกรีบลุกขึ้นยืนห้ามปัดโทป้าคนเรามันตายด้วยกันทั้งนั้นถืออะไรล่ะเสียงตะเฮงขานแล้วก็หัวเราะกับการถือโชคถือรางของแม่เท่าผ่อนกูไม่เห็นงามรอกเว้ยจึงห้ามมึงถ้าเห็นดีก็ตามใจมึงเถอะทุย แกพูดอย่างโกรธแล้วก็พละออกจากวงนั้นไปพวกที่นั่งทั้งหมดก็หัวเราะกันอย่างครื้นเครงพวกทั้งหมดที่มาร่วมผ้าป่าส่วนมากก็ไม่ได้กลับบ้านค้างกันอยู่ที่นั่นใครนอนก็นอนใครไม่นอนก็อยู่ไปพอเช้าขึ้นก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ตั้งวงสุราอาหารกันต่อไปก็เริ่มเอะอะด้วยการมโหรสพอีกพอกลางวันก็จะแห่องค์ผป่าไปทอดที่วัดนั่นเองการเมาสุราตอนเช้านี้ไม่แพ้กลางคืนเลย และจะหนักกว่ากลางคืนก็ตอนแสงอาทิตย์แผดเผานี่แหละช่วยให้ริ์เดชของมันเข้าขั้นทั้งทายแก้วบ้างหรือฟุบไปอย่างไม่งโงหัวบ้างโครงการสนุกของตะเหงไม่ได้เลือกล้มตามที่ถูกแม่แก่ห้ามปรามเมื่อตอนกลางดึกตะเหงยังคงกล่ำเหล้าหนักแต่เช้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกส่วนผสมกับเมาเมื่อตอนกลางคืนแกให้พวกพวกเอาสีเขีย ว, ยวแดงๆทาตัวทาให้ดูเป็นศพเนานาๆใครๆก็เห็นว่าคล้ายคนตายจริงๆ ตัวแกมานอนบนแคร่ไม้ไผ่ที่มีพวกพวกอีกสี่คนหามมาจากบ้านถัดไปเข้ามาวนที่ลานบ้านของปูอ่อ่ำพวกที่บ้านผ้ป่าก็เฮเข้าไปล้อมดูการมหรสพของตะเหงกันอย่างหนานแน่นมีป้ายเขียนติดที่แคร่หามบอกว่าศพในเฮงผู้คนก็พากันหาลั่นสนันเมืองตะเฮงที่นอนก็ทำเป็นผีตายลุกขึ้นจากแคร่แต่ล้มลงไปอีกเพราะว่าเมาหนักแต่ก็พยายามลุกขึ้นจนได้ พวกสี่คนที่หามแคร์ก็เมาขนาดหนักด้วยกันเซแล้วก็เซอีกแต่ว่าตะเฮงเนี่ยหนักกว่าใครเพื่อนยืนแทบจะไม่อยู่ได้ความศรัทธานหนักถึงกับไม่ยอมนอนเมื่อคืนกลับไปบ้านจัดแจงต่อแคร์ถามแล้วก็ทาสีระบายตัวพอเสร็จการตกแต่งทุกอย่างก็หามมารวมกับองค์พระป่าที่จะไปวัดเฮ้ยพวกเราตาโพงพูดแบบอ้อแอเราหามไอเฮงย้อนกลับไปหมู่บ้านโน้นก่อนดีกว่าว่าแกบัญชา ไปเอาเงินผีตายก่อนนะเรียอะไรสิวะถ้าไม่มีเงินใส่พานจะไปทอดยังไงได้ว่าพวกสี่คนเห็นด้วยว่าควรจะออกหามแหย้อนไปเอาเงินซะก่อนจะได้ช่วยสมทบกับองค์พระป่าใหญ่แล้วก็พลหามหามที่ยันตัวเองไม่ค่อยอยู่ก็เตรียมเข้าประจาที่แต่เฮงตัวละครผีตายก็ขยับจะขึ้นแคร่แต่ล้มก้นกระแทกไปก่อนทั้งนี้เกิดจากความเมาเต็มที่และง่วงนอนเหลือจะฝืน ผักพวกพยุงขึ้นนอนบนแคร่ให้เรียบร้อยมีใครอีกคนรองว่าการแต่งตัวละครยังไม่ครบแล้วเขาก็วิ่งไปเอาน้ำตาลหม้อมาละลายน้ำราดไปตามร่างกายของตะเฮงจนทั่วดูคล้ายกับน้ำเหลืองไหลยเยิม้มและเพื่อให้มแมลงวันมาตอมด้วยจะได้ให้ดูศพเนี่ยว่าเป็นศพที่เน่าจริงๆพอเสร็จแล้วโถน้ำตาลที่ละลายน้ำไว้ก็วางไว้บนแคร่นั้นด้วยถ้าแห้งก็จะได้ราดต่อไปอีกล่อมแมลงวันต่อไป ตาโปลงเป็นคนเอาเหล้าเทใส่ปากศพเข้าไปอีกพักพวกก็เฮฮาแล้วขบวนพระป่าสมทบก็ออกเดินขบวนไปทางหมู่บ้านไร่มะลิโดยถนนดินแคบๆแล้วก็ไม้ปลูกกระดานบ้างเป็นบางตอนเซ็งแซ่กันไปด้วยหมู่เด็กก็วิ่งตามกันไปข้างหลังบ้างนำหน้าบ้างสองข้างทางเป็นท้องร่องบ้างเป็นผืนแห้งบ้างชาวบ้านก็ทาการปลูกมะลิเป็นไร่เล็กๆบ้างใหญ่บ้างตามกาลัง ขบวนผ้าป่าผีตายผ่านบ้านไหนก็ร้องให้ทําบุญไปชาวบ้านเฮฮากันมาดูศพแล้วก็หัวเราะกันเกลียวก็ดาวบ้างก็ให้สตางค์บ้างก็ให้สุดาตามแต่ใจสนุกตาพลงก็ดื่มกับพลละหบับแล้วก็ไม่ลืมจะกรอกปากให้ศพ บ, บางทีศพสัมลักเพราะเทเล่าแรงแล้วก็มากเกินไปกลืนไม่ทันคนกําลังนอนก็ย่อมกลืนน้ํายากเมื่อถูกเทลงไปถึงกับสัมลักตาเหลือ ก, ก็เป็นที่สนุกสนานกันยิ่งนัก พอถึงทางแยกหนึ่งขบวนก็เลี้ยวเข้าสู่ทางเดินที่เป็นทางแคบๆหน่อยพวกเด็กอยากจะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าเหล่านั้นก็เห็นข้ามท้องร่องสองข้างทางเพื่อวิ่งลัดไปโดดข้ามอีกข้างหนึ่งดูสับสนน่าสนุกแต่ที่โดดไม่พ้นก็ตกน้ําไปก็มีก็เลยทําให้น้าเนี่ยสาดขึ้นมาเปียกทางเดินพลรหับที่เมาแทบจะทรงตัวไม่อยู่ก็เดินลื่นอยู่ไปมาร้องด่าเด็กอยู่ขมถมเถ แต่ว่าในครู่นั้นเองเจ้าเด็กอีกคนตกท้องร่องน้ําก็สา์ขึ้นมาอีกและเยอะกว่าคนอื่นที่ตกลงไปก็เลยศาสตร์เข้าแส่ร่างของผีตายผีตายนอนอ้าปากอยู่ก็เลยถูกน้ําเข้าปากสําลักผีตายก็ผุดลุกขึ้นนั่งพลหามพลหาบที่หาหลักไม่ดีก็เมาสุดาก็เซล้มลงพอดีเหยียบเอาน้ําที่ราดดินเป็นโคลนพลหามก็ล้มไม่เป็นท่าบางคนนี่หงายท้องลงท้องร่องหัวทิ่มบ้างสุดแต่จะมีอาการส่วนศพผีตายนั้นหัวขมาลงไปในน้ํา แต่ว่าน้ําตรงนั้นก็ลึกแค่สอกกว่าคนก็เฮฮาสนุกขบขันกันที่สุดพ ล, ลหามที่อยู่ไปอยู่มาตรงนั้นกว่าจะตะเกียกตะกายขึ้นจากท้องร่องได้ก็ต้องช่วยกันดึงแต่เฮงผีตายนั้นไม่มีคนช่วยมัวหัวเราะกันอย่างสนุกตาเฮงก็เลยหัวทิ่มโก้งโค้งดิ้นคลุกขลักคลุกคลั ก, ล ก, ล ก, ลกพอพ ล, ลหามขึ้นมาได้หมดจึงช่วยดึงผีตายขึ้นดึงกันอยู่ขลุกคลักประกอบกับเมาและก็ดินลื่นเล่นเอาอนลรวนอนละเวง พอดีชาวบ้านที่ไม่เมานึกสังหอนใจจึงร้องบอกกันว่าตะเฮงจะสำลักน้ำตายช่วยกั น, นเร็วๆก็เลยพร้อมใจกันลากขาแกขึ้นมาพอพ้นน้ำลงไปจึงรู้ว่าหัวทิ่มลงไปในโคลนลึกมีรอยโคลนลึกแค่หน้าอกของตะเฮงหน้าตาของตะเฮงก็โคลนเต็มชาวบ้านกลัวดินจะอุดปากอุดจมูกตาเฮงจึงช่วยกันล้างโคลนและโคลนในรูจมูกกว่าจะล้างหน้าตะเฮงเสร็จก็นานโขเห็นตะเฮงแน่นิ่งไปต่างก็ตกใจร้องบอกกันต่อๆไป นลหามที่เมาเต็มการถึงกับสั่งเมารีบหามต่เหงมาวัดเข้าหาท่านพระครูหมอท่านพระครูก็รีบแก้ไขให้เป็นการใหญ่เหล่าพุทธบริษัทผ้าป่าต่างมุงกันแน่นช่วยบีบช่วยนวดเป็นการใหญ่แต่ต่เหงยังคงตัวเย็นซีดอย่างเดิมจนตกเวลาแก้ไขเข้าไปหนึ่งชั่วโมงจึงรู้แน่ว่าตะเฮงตาย มีเอะอะโวยวยอลมัานกันเป็นการใหญ่ต่างโทษกันว่าคนนั้นคนนี้ชวนตะเหงเล่นพิเรนถึงได้เกิดตายพระทั้งวัดงงงันไปด้วยกันความคลึกครื้นของงานผ้าป่าได้เงียบลงด้วยความสลดใจตะเหงไม่มีลูกแต่เมียของตะเหงมาร้องไห้และด่าใครต่อใครเปื้อนไปหมดหาว่าทำให้ผัวแกตายจึงรีบไปแจ้งตารวจถึงสาเหตุการตายของตะเฮง ทุกคนไม่มีใครหนีหายเพราะทุกคนที่ร่วมสนุกไม่ได้ฆ่าตะเฮงแต่เหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปได้เพราะว่าเมาสุราจนไม่รู้ว่าจะเกิดภัยขึ้นนั่นเองมีการสอบสวนที่มาของการตายตะเฮงตำรวจจะนำศพตะเฮงไปชนะสูตรแต่บรรดาพ่อเท่าแม่แก่ขอร้องไว้สักครู่ว่าไหนๆตะเฮงก็ตั้งใจทำตนเป็นผีตายทอดผ้าป่าก็ขอให้ได้สมใจตั้งใจของแกเถอะก็เลยเอาผ้าไตรามาวางบนศพของแกให้พระชักบางสุกุลไปให้จึง เกิดพิธีทอดผ้าป่าผีตายขึ้นจริงๆส่วนผ้าป่าองค์แท้นั้นก็รีบเร่งทอดกันโดยด่วนแล้วกองผ้าป่าทั้งหลายก็ต้องหันมาช่วยกันจัดการกับคนตายหรือว่าตะเฮงไปคนละเฟื้องคนละสลึงตามมีตามเกิดจัดการสวดในคืนนั้นความเงียบสงัดวังเวงได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่ทนสลดใจไม่ไหวก็กรอกเหล้าเข้าไปดับความเศร้า ปูอ่ำก้มหน้าโคลงหัวบ่นว่าพระป่าปีต่อไปเลิกฉลองกันทีมีศรัทธาก็ร่วมบริจาคแล้วก็นำมาวัดความตายของแต่เหงเป็นบทเรียนการกุศลที่กินเหล้าซะจนมีการตายเกิดขึ้นในงานมงคลจะดีอย่างไรกันละ่ะแม่แก่ผ่อนบ่นว่ากูว่าแล้วไอเฮงไว้เวนของมึงดูไวเถอะเว้ยทุกคนการเล่นพิเรนะมันไม่เหมาะทุกคนไม่มีใครเถียงแม่แก่เลยเพราะเห็นแต่ความสนุกจึงทุกถนัด ผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมจะอยู่ฟังสวดอภิธรรมศพของตะเฮงไหวหรือไม่ผมต้องเดินออกจากวัดไปคนเดียวครั้นจะค้างบ้านปู่อ่ําอีกคืนก็ห่วงบ้านเพราะค้างมาคืนหนึ่งแล้วผมสังเกตสีหน้าอีกหลายคนที่จะต้องเดินผ่านทางที่ตะเฮงหัวทิ่มโคลนตายว่ามีความหนักใจไปตามๆกันส่วนพวกที่อยู่บ้านใกล้ๆ ก, ก, กันกับปู่อ่ํามากกว่าพวกที่จะเดินทางกลับบ้านผ่านแดนตายของตะเฮงส่วนผมนะ่ะไม่ได้ผ่านทางอะไรกับโจรทั้งนั้น แต่จะต้องออกจากวัดคนเดียวและทั้งตาเหงก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับผมถ้าจะหาทางเลี่ยงเสี้ยแต่ยังวันวันเรื่องการเลี่ยงหนีพวกนี้ไปก็ยากประเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยหนีเอาตัวรอดในยามพวกพ้องมีทุกข์ผมจึงออกอุบายอยากเล่าชวนเพื่อนบางคนไปหาเล่าดื่มเพื่อดับความสลดใจนอกวัด ก็เลยหลุดออกมาจากนอกวัดได้พอดื่มกันหอมปากหอมคอเพียงขาแขว่งๆผมก็ขอตัวกลับบ้านอ้างว่าห่วงบ้านส่วนเพื่อนอีกสองสามคนก็เดินโซเซงนงเงินไปมาเข้าวัดไปอีกนี่แหละครับเรื่องของผ้าป่าผีตายก็มีดังนี้ผมเองอายุไม่ทันจะเห็นเขาเล่นกันหรอกครับพอได้ยินปู่อ่าเล่าให้ฟังพวกเรามาเล่นกันเข้าก็มีเหตุดังนี้